ที่เราอคอยพระตักอาหารนี่เราก็ฟังทําไปด้วยนะหรือว่าใครจะเจริญสตินะในช่วงนี้ก็ได้ที่นี่มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะที่บ้านเรานี่ถ้าอาหารมาวางอยู่บนโต๊ะนี่เราก็ไม่ต้องคอยแต่มาวัดนี่เราต้องคอยแล้วก็อาจจะคอยนานด้วยใจจะเป็นนึกว่านี่มันเป็นการทรมาน ตัวเรานะให้มองว่าที่เป็นของดีเพราะว่าการรู้จักคอยเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งนะของคนที่หวังประสบความสุขความเจริญสมัยนี้เนี่ยเราคอยกันไม่เป็นลวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นท่าของอารมณ์ได้ง่ายเช่นอยากได้อะไรก็อยากได้ไวๆอยากได้อะไรก็อยากได้ใวๆ ควักเงินซื้อเลยเสร็จแล้วก็ไม่กี่วันก็เบื่อเพราะมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่เราคิดนะสมัยนี้เนี่ยถ้าใครรู้จักคอยนี่นะถือว่าได้เปรียบกับคนอื่นนะนักเรียนที่รู้จักคอยนะจะได้เปรียบกว่านักเรียนคนอื่นคนที่ทํางาน ในสถานที่ใดก็ตามเนี่ยถ้ารู้จักคอยเนี่ยนะก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นสมัยนี้เนี่ยความรู้มันก็เท่าๆกันนะความรู้ความสามารถความฉ็บปไวก็พอๆกันแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือการรู้จักคอยการรู้จักคอยเนี่ยมันทำให้เราอดทนนะแล้วมันทำให้เรามีความเพียรอ่นะ กำลังไม่ตกง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยไม่ค่อยมีความเพียรพยายามก็เพราะว่าคอยไม่เป็นทำอะไรก็หวังผลเร็วๆนะทำงานก็อยากรวยเร็ว ๆ, ๆนะพออยากรวยเร็ว ๆ, ๆเนี่ยก็เลยนะพอทําไปนะสักห้าปีหปีมันไม่รวยสักทีหรือว่าทาไปแค่ปีเดียวมันไม่รวยสักทีก็ก็เลิกละ แล้วล้วทำไงความอยากรวยยังมีอยู่นะก็ไปหาทางรวยทางอื่นซึ่งบางทีก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะไปเล่นการพ น, นันนะไปซื้อหวยเพราะว่าคิดว่ามันรวยลัดให้ความอยากรวยเร็วๆเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเสียพูดเสียคนมาเยอะแล้วนะเพราะว่าไปเล่นการพนันบ้างนะหรือว่าคอร์รัปชันบ้างโกงบ้างนะ แต่ถ้าคนที่รู้จักคอยเนี่ยเขาก็จะนะก็ยังทําความเพียรไปเรื่อยๆนะเรียนหนังสือก็อเหมือนกันนะถ้ารู้จักคอยเนี่ยนะก็ทําให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ใช้วิธีทางลัดที่มันผิดนะเช่นให้ทํารายงานเนี่ยอยากทํารายงานให้มันเสร็จไวๆก็ทํายังไงก็ไปลอกกันบ้างหรือไม่ก็ตัดแปะนะ ไปเปิด Google ดูแล้วก็ใช้วิธีตัดแปลจากเว็บไซต์เนะี่ยก็เสร็จเร็วนะสมใจแต่ว่าความรู้ไม่มีเพอๆอาจารย์จับได้นี่ตัดคะแนนซิตัดคะแนนยังไม่เท่าไหร่นะแต่ความรู้ที่ไม่ได้นี่สิมันเป็นการเสียเวลาเสียโอกาสการรู้จักคอยเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ทำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่างๆมากมายรวมทั้งการมีความสุขด้วย เมื่อสัก50ปีก่อนนี่มันมีการทดลองที่มีชื่อเสียงมากไอ้ตอนที่ทดลองใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรอกมันมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็ 20-30 ปีหลังจากนั้นที่มาหาวิทยาลัยในอเมริกาชื่อมาวลัตนฟอร์ดนะก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะทดลองด้วยการเอาเด็กเนี่ยประมาณ 4-5 หขวบเนี่ยสิคนเข้ามาในห้อง ในห้องนั้นเนี่ยก็มีโต๊ะวางขนมอยู่ขนมนั้นชื่อขนมมาร์ชเมลโล่เด็กๆก็อยากได้ขนมมาร์ชเมลโลผู้ใหญ่ก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็หยิบไปเลยนะคนละคนละเม็ดคนละชิ้นแต่ถ้าคอยนะถ้าคอยสักสิบห้านาทีจะได้สองชิ้นนักเรียนทุกคนนี่ก็รู้นะว่าสองชิ้นมันดีกว่าชิ้นเดียวแต่พอผู้ใหญ่ออกไปจากห้อง เหลือแต่เด็กเด็กหลายคนก็รีบคว้าเลยเพราะว่าห้ามใจไม่อยู่มันอยากมากเด็กที่เหลือเนี่ยก็อยากได้สองชิ้นก็พยายามคอยอดทนแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือสองในสามเลยคอยไม่ไหวก็เลยควา้านะผ่านไปสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็คว้าเลยก็ได้แค่หนึ่งชิ้นนะมีแค่หนึ่งในสามนะที่ เขาอดทนรอคอยจกนกระทั่งครบสิหนาทีเขาก็ได้รางวัลก็คือสองชิ้นแล้วก็ไปทดลองกับเด็กหลายๆคนนะหลายๆกลุ่มก็ผลก็คล้ายๆแบบนี้แหละคือคนส่วนน้อยที่รู้จักคอยที่คอยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าสองชิ้นมันดีกว่าชิ้นเดียวนะ mm hmm. มันไม่ได้จบแค่นี้นะเขาตามนะตามเด็กเหล่านี้ไปจกนกระทั่งเรียนประถมมัธยมแล้วก็หมาหาทยาลัยก็ไม่ได้ตั้งใจตามนะ แต่ว่ามาตามมาจริงๆเนี่ยคือตอนที่ผู้กนี้ เ, เข้ามาอาชีพละก็มีการไปสอบถามว่า เ, าเด็กเหล่านี้เนี่ยที่มาร่วมทดลองนี้ตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วก็ปรกากฏมันมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะเด็กที่คอยไม่เป็นเนี่ยเราบอกว่าเรียนมัธยมก็เรียนได้คะแนนไม่ค่อยดีโอเคเละก็เยอะแล้วก็อ้วนด้วยเพราะว่าชอบกินอาหารขยะนะ ขณะที่เด็กที่เขารู้จักคอยเนี่ยการเรียนก็ดีสุขภาพก็ดีน้ำหนักตัวก็ไม่มากตามไปถึงมหาวิทยาลัยก็พอกว่าเด็กกลุ่มแรกที่คอยไม่เป็นนี่เรียนไม่จบก็เยอะเลากลางคันแล้วก็ติดเหล้าติดยานี่ก็มากส่วนเด็กที่เขารู้จักคอยได้เนี่ยสุขภาพก็ดีไม่ติดเหล้าและไม่ติดบุหรี่ แล้วก็การเรียนก็ดีเขาเอาผลสอบเข้ามาเทาไลน์มาเปรียบเทียบนะคือเด็กม .6 เนี่ยก่อนที่จะจบนี่เขาก็มีการสอบเป็นคะแนนมาตรฐานเป็นการสอบกลางนะก็ปรากฏว่าเด็กกลุ่มที่2เนี่ยได้คะแนนสูงกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยถึง200คะแนนแล้วคนเหล่านี้พอไปทํางานก็ทํางานได้ดีนะการงานก็ราบรื่นชีวิตก็ไปได้วยดี เขาก็พยายามหานะว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเด็ก2กลุ่มและสุดท้ายก็พบว่ามีปัจจัยที่แตกต่างปัจจัยเดียวที่สําคัญก็คือการรู้จักคอยนะเด็ ก, กลุ่ม2เนี่ยเขารู้จักคอยเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาสอนไว้ดีนะเขาก็มีนิสัยนิสติดตัวไปเราลองสังเกตในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะคนน้รู้จักคอยมากเลย ไม่ใช่คอยนะเวลาเรียนหนังสือไม่ใช่คอยในขณะที่ทํางานเนทะ่านั้นแต่เวลาอยู่บนท้องถนนเขาก็คอยนะเวลาไฟแดงเนี่ยเขาก็เขาก็รอนะถ้าไฟยังไม่แดงนี่ก็ไม่มีการไม่มีใครข้ามถนนนะถึงแม้ถนนว่างเขาก็คอยแล้วคอยนี่เขาไม่ได้คอยด้วยความทุกข์นะเขาก็คอยแบบสบายๆเนะี่บางทีก็คุยกันบ้างบางทีก็อเอาคอมพิวเตอร์มาดูบ้างเอาโทรศัพท์มาคุยบ้าง พอถึงไฟเขียวเขาก็เดินข้ามถนนไปที่ไหนที่ไหนเขาก็เข้าคิวแล้วเขาก็ไม่รู้จักทรมานอะไรเลยไม่รู้สึกทรมานเพราะเขารู้จักคอยจนชินแล้วอันนี้ไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยนี่ว่าเด็กผู้ใหญ่นี่นะเขา้าเข้าคิวไม่เป็นนะเวลาจะแจกของอะไรเนี่ยโอ้ยทางน้นที่ก็มีอยู่เยอะแล้วนะแต่ว่าเวลาเข้าคิวเวลาจะแจกของนี่เข้าคิวก็ไม่เป็นนะโกลาหลกันใหญ่ยิ่งเวลาเกิดภัยพิบัตินี่ จะแจกของอะไรสักอย่างนี่กลัวลาขนมากนะแต่คนญี่ปุ่นนี่เป็นระเบียบนะให้การรู้จักคอยเนี่ยมันทำให้มีความอดทนและความอดทนก็ทาให้ขยันขันแข็งนะและ้วขณะเดียวกันก็ทำให้มีระเบียบวินัยและสองอย่างนี้มันเป็นกุญแจสำคัญนะของความสำเร็จนะไม่ว่าในเรื่องของการงานเรื่องการเรียนหรือชีวิตนั้นที่เรามาคอยกันตรงนี้เนี่ยให้ถือว่าเป็นของดีนะ เป็นการมาเติมสิ่งดีๆให้กับจิตใจของเรานะระหว่างที่คอยเราก็ไม่ทุกข์แล้วก็ทำอแไรขงเราไปนะแล่ถ้าเราสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราใจก็ไม่ร้อนนะแล้วเราก็จะเป็น่าตของกิเลสได้ยากไม่ว่าจะเป็นความอยากอยากได้ของเราก็คอยนะแม่ไม่ให้ก็ไม่ทุกข์ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็อดเก็บหอมรอมริบเองได้เก็บวันละนิดวันละหน่อยก็คอยได้ ผ่านไปหนึ่งเดือนก็เป็นพันเป็นหมื่นแล้วเวลาโกรธก็รู้จักคอยนะไม่อ ด, อดรู้จักอดทนอดกลั้นนะไม่ทําตามอารมณ์ง่ายๆนะอันนี้เพราะามีความรู้จักคอยทําให้มีขันติมีความอดทนฉันพยายามสร้างเอาไว้นะสะสมเอาไว้นะความรู้จักคอยเนี่ยไม่ทําให้เราเนี่ยได้เปรี่ยนกับคนอื่นเพราะคนสมัยนี้คอยไม่เป็นนะ เวลาจะเปิดโทรศัพท์เนี่ยเครื่องเปิดช้าหน่อยบูทช้าหน่อยก็งดมิดละเปิดคอมพิวเตอร์มันช้าไปแค่15วินาทีก็รำคาญละขอเปลี่ยนเครื่องดีกว่าแค่ไม่กี่วินาทีนี่คอยไม่ไหวนี่แล้วจะหาความสุขความเจริญความสำเร็จได้อย่างไรอ่าเราก็เตรียมรับพรนะ